ฉันมองเธออยู่ตรงนี้ไม่มีผู้ใดความสนใจไม่มีใครรู้เพราะทำได้เพียงแค่เฝ้ามองเธอเท่านั้นเพราะฉันมันคนที่คนไม่รู้จักคนที่คนไม่รู้จัก ชือเธว่าอะไรนามสกุลมันอยู่ไหนฉันก็รู้ดีเธอกัรประจําสนิดสนมกลมกลืนแต่ยังฟื้นชนยูทุบทีผมรู้จักคนที่คุณไม่รู้จักผมผมไม่ทักคุณไม่ทักเราไม่ทักเราเวลาอีสาพักคนจะฟาดสิครับแล้วเมื่อไหร่เราจะรู้จักกันล่ะครับคนที่คุณไม่รู้จักเธอไม่มองแล้วไม่ลองแล้วเมื่อไหร่คุณจะรู้จักวันสุดท้ายที่ตายเงเป็นยายไม่มีแบงค์ที่จะรักจะเสียดายเราไม่ได้เป็นอมตะนะเข้าใจว่าเราต้องเดินต่อไป ฉันยังไม่อยากจะคิดเพราะชีวิตตอนนี้ยังไม่มีใครกลางคืนมันเหงาจนเช้าก็ยังไม่นอนจะรอเธอมาอ้อนคืนที่นอนไม่จั ที่โดร้ายก็มีแต่เธอช่วยปลอบเป็นปลายฝนตอนหนาวเป็นเช้าที่มีเมฆหมอกเป็นปลายทางของฉันเป็นฝันเป็นทางออกเป็นดอกไม้งามล้นคนไมป่ปองเข้าใจว่าเราต้องเดินต่อไปรู้ดีสักวันหนึ่งเธอก็มีใหม่แต่ว่าฉันยังไม่อยากจะคิดเพราะชีวิตตอนนี้ กลางครคืนมันเหงาจนเช้าก็ยังไม่นอน คิดถึงก็โงหเหงาจัดอยากจะรู้เธอเป็นหรือเปล่าตอนไม่ได้พบได้เจอได้กล่าวได้คิดถึงก็ดีเท่าไรอย่าหน่าอย่าพึงหาใหม่ เธอรอฉันก่อนฉันคือผู้ชายที่เธอฝันใฝ่กอดกานมันอบอุ่นคลายหนาวนอนนุ่นแต่ขนาดที่เธอกำลังหาาตอนฉันหลับเธอกระปุกในตอนเช้ายามฉันกลับเธอเกาะแกจูบลรเบาเบาไปไปต้อให้เธอเอาเตจใจต้องการแค่เธอฉันไม่ต้องการอื่นใดเธออยู่ในต้องให้จะไกลเป็นหมื่นไมล์ฉันกจะเรียไปหาเธอเรายะเจอเจอกันเมื่อไหร่างคืนมันเงาจนเช้าไก็ยังไม่นอน สักวันเองเธอก็ไม่ใหม่แต่ว่าฉันยังไม่อยากจะคิดเพราะชีวิตตอนนี้ยังไม่มีใคร